วางจากความตรณีความมีแก่ใจระวังไม่พลังจ่ายเกินตัวทนแรงยั่วได้นานปานกลางไม่งกนักเรียกรู้จักประหยัดเป็นคนมัธยัตสมตัวส่วนคนตรณีมีแต่ใจหวงแหนร้แรนแค้นจากข้างใน หาใช่ไม่มีเงินเมินเถิดจะทำบุญงุ่นงานแต่จะเอาหมองเศร้ากว่าขอทานความตรนีทำให้มีเหมือนไม่มีถึงมีมากก็ไม่ใช้จิตใจราวกับกาวเหนียวหวงทุกสิ่งไว้แม้แต่ขยะทางใจ กลัวที่จะทิ้งแม้สิ่งรกรุงรังเห็นการเอื้อเฟื้อเป็นความผิดติดตัวมองการช่วยเหลือเป็นเรื่องหน้าพรั่นพรึงเกินทนความตรนีไม่ทำให้ใครฉลาดขนาดเห็นชัดว่าห่วงแล้วอึดอัดยังกัดฟันห่วงต่อแงนคอรอแต่ขยะมาสะสมไม่พิรมกับการทิ้งส่วนเกินให้เบาตัวบ้าง ถ้าใจคิดให้แม้ข้าวในน้ำล้างจานก็เป็นทานแกสัตว์ในท่อได้แม้บาทเดียวเที่ยวจากคนอนาถาก็ซื้อหาความสบายใจให้ตนเกินพอยิ่งให้จะยิ่งฉลาดขนาดพื้นที่ความว่างยิ่งขยายกลายเป็นแห้งจากกาวเหนียวใจเที่ยวไล่แจกอย่างเป็นสุข เริ่มเห็นเงาทุก์จากความคิดเอาเข้าตัวกลัวความคัดแน่นจากความตรณีกระทั่งดีใจไม่ได้ซื้อของให้ตัวเองโลกนี้จะปรากฏต่างไปเห็นเด็กเห็นผู้ใหญ่เห็นพระเป็นเป้าหมายของการให้มิใช่เป้าหมายของการเอา มีน้อยเหมือนมีมากหากว่างจากความตรหนีมากพอหายไปแสนแลกความแสนสบายรู้สึกดีไม่มีใครขโมยความว่างได้